สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ฟื้นชุตินธรมหาเถระประเรียนธรรม 9 วัด 3 พญา 2448 ถึง 2539 สมาธิเป็นทางที่จะให้เกิด ที่ตกลงไปอยู่ก้นตุ่มน้ําย่อมจะใสได้แต่เมื่อใด หมายถึงต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอาสวะที่มีอยู่ ได้ทั้งหมดทั้งหมดปัญญาเป็นอาวุธ พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ายะถาภูตัง ก็ได้ทรงยืนยันว่าสมาธินั้นเป็นสมาธิ ไม่ดำเนินในดำเนินทางหรือและบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์เพียงเท่านี้ ขั้นพระคืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่ พิจารณาพระไตรลักษณ์เพื่อทำลายความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ อย่างยืนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลคืออนิจจาหรือๆว่า ในที่นี้คือการทนอยู่ไม่ได้นี้เรียกว่าคือ การพระไตรลักษณ์เพื่อเที่ยงว่ายังยืนว่าเป็นตัวตนใครล่ะว่าเป็นและ ตัวยั่งยืนตัวนี้ไปอย่างอื่นได้ยั่งยืนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลๆว่า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 ดำเนินไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในทางพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ตนเที่ยงที่ตนเคยเห็นว่าไม่ยั่ง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 ความยึดความถือในสิ่งเหล่านี้ยึดเป็นตัวชั้นสูงของการปฏิบัติที่จะให้เกิดความสงบอย่างแท้จริงในอุปาทานจิต ที่ถึงความสงบชั้นสูงสุด ภิวัติในทางทำชั้นสูงกว่าจิทในที่สุดจะหลุดหลายเพราะไม่มั่นกล่าวง่ายๆว่าไม่มั่นแล้วหรือไม่มีอุปทานแล้วก็จะหลุดเพราะหลุดได้นั้น ต้องไม่ความยึดความเกาะถ้าจิต เพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นทางปฏิบัติปัญญาจึงเป็นทางปฏิบัติอกุศล เป็นบางส่วนบางชนิดเด็ดขาด จะหมดสิ้นเชิง ความสงบแต่ที่รวมกล่าวในที่นี่ก็กล่าวตามแนวไตรศิกขาซึ่งเป็นทางปฏิบัติโดยตรงในทางอื่นที่จะปฏิบัติได้นั้นทาง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 สัมมาสังคปะความสัมมาสมาธิความชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจชอบที่ท่านเรียกว่ามัก 8 สมาธิปัญญานั่นเอง พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้สมาธิปัญญาหรือจะพากพูนธรรมะปฏิบัติในสมาธิ ปัญญาเพราะความสงบความสุขอย่างอื่นนั้นเป็นไม่เท่ากับความสงบสุขความสุข ความสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีสุขอื่นนอก ความสุขอื่นอาจจะมีตามที่คนรู้สึกสุขอื่นอาจเพราะเป็นความสุขทั้งแก่ตนมีอื่น เป็นความสุขยั่งยืนความในทางกายยั่งยืนเกิดสันติ สงบชั้นอันๆก็ตาม ทางแห่งความสงบแห่งความสงบเพราะความสงบจะ อย่างใดอย่างหนึ่งความสงบจึงเกิดได้อย่าง